ตอนเทศ น, นาเรื่องชีวิตโอปปาติกะของหลวงพ่อสุขวัดมาขามเท่าสแสดงเมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราชส5งพัาข้าชื่อสุขสวัสดีท่านทั้งหลายฉันรู้จักท่านนานแล้ว แต่ท่านรู้จักฉันนิดเดียวเมื่อตะกี้ข้าฟังสมเด็จโตพูดถึงโอปปาติกะแล้วหลวงพ่อโตลืมพูดไปอีกนิดหนึง่งข้าขอพูดแทนคือข้าจะพูดตอนที่ท่านทั้งหลายจะละร่างกายที่เป็นวัตถุสสารไปมีชีวิตเป็นโอปปาติกะอย่าลืมว่าท่านทั้งหลายจะต้องเป็นโอปปาติกะทุกคนเมื่อท่านไปเป็นโอปปาติกะแล้ว ท่านก็จะมีความรู้สึกว่าฉันก็เป็นโอปปาติกะไม่เห็นจะอยากตายสบายดีชีวิตของโอปปปาติกะตอนที่จะละกายที่เป็นวัตถุสาสารนั้นความเจ็บปวดมีเช่นไรก็จะติดตามไปเหมือนอย่างท่านนอนหลับแล้วฝันท่านจะไม่รู้สึกว่าในขณะนั้นท่านนอนหลับแล้วฝันท่านจะไม่รู้สึกว่ามีร่างกายอีกร่างหนึ่งนอนหลับอยู่ ท่านจะรู้สึกแต่ชีวิตในความฝันเช่นเดียวกับโอปปาติกะเมื่อทิ้งกายที่เป็นมนุษย์นี้ไปแล้วไปมีชีวิตเป็นโอปปาติกะท่านจะไม่รู้สึกว่าตายเลยท่านจะมองไม่เห็นเนื้อหนังมังสาที่นอนค้างเติงอยู่บนแผ่นดินนี้นอกจากว่าบุคคลนั้นจะได้ฝึกจิตไว้ดีแล้วจึงจะมองเห็นสภาพของซากศพที่นอนอยู่แล้วก็นึกปงตก แต่มนุษย์ทุกคนน้อยนักที่จะรู้สึกเช่นนี้ท่านจะไม่รู้สึกว่าท่านตายเมื่อใหนห้องนั้นที่ท่านกาลังนอนป่วยอยู่นั้นมีญาติพี่น้องนั่งล้อมเต็มอยู่เมื่อท่านสิ้นลมเขาจะคิดว่าท่านเป็นสุขแล้วเขาจะไม่วุ่นวายกับท่านอีกเลยเขาจะวุ่นวายอยู่แต่เฉพาะซากที่ไม่มีความหมายแล้วนั้นถ้าสภาพของท่านป่วย และขณะที่นอนป่วยแต่ว่าหาได้ป่วยในโลกที่เป็นมนุษย์แต่ป่วยในโลกของโอปปาติกะนั้นเขาจะไม่เหลียวแลท่านเลยและท่านอย่าลืมว่ายากมากกว่าที่ท่านจะได้รับคำแนะนำจากโอปปาติกะด้วยกันให้ท่านเปลี่ยนความคิดทั้งหมดเพราะว่าแต่ละคนแต่ละคนนั้นก็มีสภาพเป็นของตัวเองห่วงแต่ตัวเอง สมเด็จโตได้บอกแล้วว่าในโลกของโอปะปะติกะนั้นไม่มีแม่ไม่มีพ่อไม่มีพี่ไม่มีน้องตัวคนเดียวโลกของโอปปาติกะเป็นโลกของชีวิตที่ใช้แต่กรรมล้วนๆข้าอยากจะพูดมากกว่านี้อยากจะพูดถึงสภาพของโอปปาติกะให้มากกว่านี้แต่ก็จำใจจบเทศนะของหลวงพ่อสุข หมายเหตุเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จเกี่ยวกับเรื่องโอปปาติกะซึ่งมีทั้งหมด3ามการเฉพาะในหนังสือวิญญาณฉบับนี้ได้นําลงสองการและนอกจากนี้ยังได้นําเทศนาของหลวงพ่อสุขวัดมะขามเท่าซึ่งท่านได้เข้าส่งเมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2 5งพต่อจากหลวงพ่อสมเด็จการที่ข้าพเจ้านําเทศของท่านมาลงด้วยก็เพราะจะทําให้เข้าใจเรื่องโอปปปาติกะดีขึ้นโดยที่ข้าพเจ้าไม่ต้องอธิบายมาก แต่อย่างไรก็ดีสําหรับคนที่เพิ่งจะไม่ได้อ่านได้ฟังเทศนาของท่านในฉบับนี้ไม่ได้อ่านไม่ได้ฟังมาตั้งแต่กันแรกและไม่ได้ฟังคําอธิบายเรื่องนี้มาก่อนก็ย่อมจะมีปัญหามากมายและแม้สําหรับคนที่เข้าใจอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคนช่างคิดก็จะพบปัญหาอีกหลายข้อซึ่งแต่ละข้อจะต้องอธิบายกันอย่างยืดยาวทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคําอธิบายเกี่ยวกับปัญหาในเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จข้าพเจ้าจะนําไปเขียนไว้ในฉบับหน้า ทุกคืเธอก็ได้เจอแต่ทุกครั้งเธอไม่สนใจเองวันที่เธอไร้ร่างกายจนสักท้ายเธอจะเหลือแค่เพียงใจให้ลองคิดเธอจะไปไหนให้เปลี่ยงคล้ายเทียบตอนลับฝันรังหนึ่งจะนอนลับไหลกับทีกร่างกายจะน เป็นใครในนั้นจนลืมว่าเธอเป็นคนอีกคนเรื่องราวทนความฝันอเียงร้อยกันจนดูซับ ไม่ได้รู้สึกยังไรแต่กฎความจริงขึ้นมาไม่ใช่แค่เอียงภาพลวตายังมีทุกสุขใจสุขกายมือ